สวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบรอคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสันสนีสนทนาที่นี่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะ FM 1 0 6และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียดอีก154สถานีคะ่ะท่านฟังคะ่ะรายการของเราครึ่งชั่วโมงคะ่ะและสำหรับปี2553นนี้เราได้เริ่มต้นรายการด้วยการที่ แนะนำหนทางที่จะทำให้ท่านฟังนั้นเมื่อไปปฏิบัติประกอบกับทางแห่งการพ้นทุกขอย่างอื่นแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสเข้าสู่วิมุติได้คือการแนะนําในส่วนที่เรียกว่าเป็นอาณาปานสติจากหนังสือพุทธวจนะอาณาปานสตินี้ก็บอกว่าถ้าจะจัดอันดับกันอาณาปานสติถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอันดับแรกของโลกด้วยนะคะเพราะ เป็นโอกาสที่ใครปฏิบัติตามแล้วจะไปวิมุตต์หลุดพ้นได้ภายใต้การนำของพระมาร์คชาควโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบก็ขอเชิญท่านเข้าสู่การแนะนําอาณาปานสติกันได้เลยนะคะนมัส ก, การกคะท่านคะเจริญพรวันนี้เราก็มาทําความเพียรด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญอานาปานสติกันอีกวันหนึ่งก็ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยเดี๋ยวนี้จะทวนพระสูตร เกี่ยวกับอาณาปานาสติให้เพื่อเราจะได้จดจําให้ขึ้นใจเพราะผู้มีพระพากเจ้าได้ตรัสถึงการที่เราควรจะเจริญอาณาปานาสติไว้ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่า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 ทำจิตตัดสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกพระผู้มีพระพราคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าการที่เรามารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตัดสังขารและทำจิตตัดสังขารให้รำงับระหว่างที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั้นเป็นการที่เรามาเจริญสติปัฏฐานสในหมวดเวทนานุปัสสนาท่านได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติ รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหรือพร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารและทําจิตตสังขารให้รำงับอยู่สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพลินเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินําความยินดีเย็นร้ายในโลก ออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจํามีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินําความยินดีนร้ายในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นแลนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำในใจเป็นอย่างดีตอนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นการเห็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเป็นการที่เรามาเจริญสติปัฏฐานสีแล้ว ในหมวดเวทนานุาือปัสนาสำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาเราก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆว่าการที่เรามาเจริญอ า, าปนานสตินี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานสีด้วยเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ค่อยๆอ อ, ออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายอิริบทออกมาได้สำหรับวันนี้ก็ พอเท่านี้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็มาปฏิบัติกันใหม่ท่านฟั่งที่เคารพค่ะและนั่นก็เป็นการนําปฏิบัติอาณาปานสติโดยพระมารชาควโรแห่งวัฒนาปาพง์ลําลู ก, กาคลองสิบซึ่งท่านผู้ฟังเมื่อเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติเองได้ในเวลาที่ท่านสะดวกนะคะท่านฟั่งที่เคารพค่ะสําหรับอาณาปานสตินี้เป็นวิธีที่จะพาเรา ไปสู่วิมุตได้และจริงๆแล้วอนิสงของอานาปานสติมีหลายประการค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอานาปานสติคืออะไรมีอานิสงอย่างไรรายละเอียดต่างๆนะคะแม้กระทั่งข้อควรระวังหรือว่ามีธรรมะแวดล้อมประการใดในการที่จะเจริญอานาปานสติกงหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมนาเอาไว้ ในหนังสือพุทธวจนะอาณาปานสติโดยพระตถาคตซึ่งเราจะแจกในรายการนี้นะคะวันละหนึ่งเล่มให้ติดต่อกันเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์022690006นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ประสานงานกับท่านว่าจะทำอย่างไรท่านถึงจะได้รับกันค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับพระภัยบูรณ์อภิปุนโนค่ะ